มีความหมายว่าอย่างไรแม้แต่เรื่องความหมายของคำก็เป็นปัญหาเสิแล้วลองไปถามชาวบ้านดูว่ากรมแปลว่าอะไรเอาคำพูดในภาษาไทยก่อนบางทีเราพูดว่ารัต่บุญแต่กรรมกรรมในที่นี้หมายถึงอะไรกรรมในที่นี้มาคู่กับบุญพอะกรรมมาคู่กับบุญเราก็แปลบุญเป็นฝ่ายดี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 เราก็จะมองเห็นได้ชัดว่าถ้าเอาหลักธรรมแท้มาวินิจฉัยแล้วความหมายเหล่านี้คลาดเคลื่อนได้เพียงแง่เดียวข้างเดียวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความหมายที่แท้จริงเพราะวากรรมนั้นแปลว่าการกระทาเป็นกลางกลางจะดีก็ได้จะชั่วก็ได้บุญก็เป็นกรรมบาปก็เป็นกรรมหมายความว่าบุญคู่กับบาป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 อีกคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินเขาก็เป็นปุโรหิตเป็นไปตามอาชีพการงานของเขาแต่ในคนนี้เป็นลักของเขาไปปล้นเขาก็กลายเป็นโจรตกลงว่า ก, กรรมในที่นี้หมายถึงการกระทําอาชีพการงานทั้งหลายเป็นขั้นที่มองดูอย่างห ย, ยาบๆนี่คือความหมายของกรรมที่น่าพิจารณาซึ่งเห็นได้ว่าท่านมุ่งเอาที่สิ่งซึ่งมองเห็นในปัจจุบันนี่แหละเป็นหลักกน เพราะการกระทานี้เป็นคํากลางๆไม่ได้พูดว่าเมื่อไรถ้าพูดถึงการกระทาเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามการกระทานั้นๆก็เป็นกรรมแต่เมื่อมองลึกเข้าไปก็ต้องมองให้ถึงจิตใจเมื่อมองลึกเข้าไปถึงจิตใจเราก็คงจะจำพุทธพจน์ได้ที่ให้คําจำกัดความบอกความหมายของกรรมว่า เจตนาแหังพิกขเวกัมมังวัามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมตกลงว่าเจตนาตัวความคิดจงใจเจตจํานงความตั้งจิตคิดมุ่งหมายนี่แหละเป็นตัวกรรมเมื่อบุคคลจงใจมีเจตนาอย่างใดแล้วก็แสดงออกมาเป็นการกระทําทางกายบ้างแสดงออกมาทางวาจาเป็นการพูดบ้าง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 สุดท้ายมาถึงกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมยกตัวอย่างเช่นโพชงเจ7มักมีองคปดซึ่งบางทีก็เรียกว่ากรรมเหมือนกันแต่เป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวและเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกลับทำให้เราสิ้นกรรมไปด้วยซ้ำเมืม่อมองละเอียดถึงความหมายที่แยกประเภทอย่างนี้เราก็เห็นชัดขึ้นมาว่า กรรมนั้นอยู่ที่ตัวเราทุกๆคนที่ประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตอยู่ทุกเวลานี่เองเริ่มตั้งแต่ความรู้สึกนึกคิดข้อปฏิบัติต่างๆแม้แต่การปฏิบัติธรรมชั้นในไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามมรตมีองค์8การเจริญโพชงเจ็ก็เป็นกรรมทั้งนั้นไม่พ้นเรื่องกรรมเลยจะเห็นว่ากรรมในความหมายนี้ ละเอียดกว่ากรรมที่เคยพูดในเรื่องไปหักขาไก่เผาป่าครอกสัตว์หรืออะไรทํานองนั้นต้องแยกแยะ ก, กันให้ละเอียดอย่างนี้เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วจะอธิบายกันอย่างไรให้เห็นว่ามันจะออกเป็นผลกรรมได้ทําไมการกระทําจึงออกผลอย่างนั้นอย่างนี้ได้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณานี้ถือว่าเป็นความเข้าใจพื้นฐานขั้นต้น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 กรร ม, มนิยามแปลว่ากฎแห่งกรรมเป็นกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลอย่างหนึ่งแต่ในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่ากฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแต่กรร ม, มนิยามอย่างเดียวกฎอย่างนั้นมีหลายกฎท่านประมวลไว้ว่ามีห้ากฎ ด, ด้วยกันเรียกว่านิยามหาหรือกฎห้ามีอะไรบ้างยกให้กรรมมณิยามเป็นข้อที่หนึ่งก็ได้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 และบางอย่างก็เกิดจากนิยามต่างๆหลายนิยามมาประกอบกันเป็นอันว่าเราควรรู้จักนิยามห้าไว้เวลาสอนชาวบ้านจะได้พิจารณาเหตุผลโดยรอบครอบนี้อันหนึ่งเข้าใจหลักกรรมโดยแยกจากลัทธิที่ผิดทั้งสาม แง่ต่อไปคือจะต้องแยกหลักกรรมออกจากลทัทธิผิดๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรียกว่าติดตะไถยตนะสามแปลว่าประชุมแห่งลทัทธิลทัทธิดียรถีมีสามลัทธิลัทธิที่หนึ่งถือว่าบุคคลจะได้สุกก็ดีจะได้ทุกก็ดีมิใช่สุขไม่ใช่ทุกก็ดีล้วนเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนทั้งสิน้นปังให้ดีระวังนะ จะสับสนกับพระพุทธศาสนาลัทธินี้เรียกว่าอุปเพกตาวาดลัทธิที่สองบอกว่าบุคคลจะได้สุขก็ดีจะได้ทุกข์ก็ดีได้เมสุขไม่ทุกข์ก็ดีล้วนเป็นเพราะเทพผู้ยิ่งใหญ่บรรดาลให้ทั้งสิน้นคือพระผู้เป็นเจ้าบรรดาลให้เป็นลัทธินี้เรียกว่าอิสโณยิรมิตตวาดหรืออิสระนิมมาในเหตุวาด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 ก็ผิดหลักพระพุทธศาสนาหนึ่งปุเพกตะวาดถือว่าอะไรอะไรก็เป็นเพราะกรรมที่ทําไว้ปางก่อนสองอิสวนนิรมิตตวาดถือว่าจะเป็นอะไรอะไรก็เพราะเทพผู้ยิ่งใหญ่บรรดาหรือพระผู้เป็นเจ้าบรนดาสามอหตุวาดถือว่าสิ่งทั้งหลายอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีเหตุปัจจัยแล้วแต่ความบังเอิญเป็นไปลัทธิโชคชะตา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 ตรัสเรื่องนี้ไว้รวมกันสามลัทธิแล้วแต่ในเทวทหสูตรพระไตยปิฎกเล่ 14, มสิบสี่มชิมานิกายอุปริปันธาตก็ตรัสเฉพาะเรื่องลัทธิที่หนึ่งไม่ตรัสลัทธิอื่นเลยลัทธินิ่ครนนี้ถือว่าอะไรอะไรก็เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้สิ้นกรรมโดยไม่ทำกรรมใหม่ละเผากรรมเก่าให้หมดสิ้นไปด้วยการบาเพ็ญตบะ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 เรื่องความหมายของกรรมที่แยกเป็นกุศลอกุศลเป็นบุญเป็นบาปในเวลาที่เราแยกประเภทกรรมเรามักแยกเป็นลล ก, รรกุศลกรรมอกุศลกรรมหรือง่ายๆก็เป็นบุญเป็นบาปเป็นบุญญกรรมบาปากรรมเราจะอธิบายเรื่องกรรมได้ชัดเจนเมื่อเราอธิบายความหมายของอกุศลอกุศลบุญบาปได้ด้วยกุศลมีความหมายอย่างไร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 เป็นความหมายที่หนึ่งของกุศลแปลว่าไม่มีโรคความหมายที่สองเรียกว่าอนนวัชชะแปลว่าไม่มีโทษคือไม่มีสิ่งมัวหมองไม่สกรปรกไม่บวชพร่องสะอาดผ่องแผ้วผ่องใสหลอดโปรงเป็นต้นนี้เรียกว่าลักษณะที่เป็นอนนวัชชะเอาง่ายๆว่าเป็นเรื่องสะอาดบริสุทธิ์ ต่อไปลักษณะที่สของกุศลคือโกสลสัมพูตแปลว่าเกิดจากปัญญาเกิดจากความฉลาดหมายความว่ากุศลเป็นเรื่องที่ประกอบไปด้วยปัญญาคือความรู้เท่าทันทำด้วยความรู้เหตุผลและทำตามความรู้เหตุผลนั้นมองเห็นความดีความชั่วรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์รู้ไม่ใช่ประโยชน์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 จิตใจมีความแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจคล่องแคล่วใช้งานได้ดี 2. อนวัชชะไม่มีโทษไม่มีมนทินไม่หมัวหมองไม่เสื่อมเสียมีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วปลอดโปรง่ง 3. โกศลสัมพูดมีปัญญารู้เหตุผลรู้ดีชั่วรู้คุณรู้โทษสว่างไม่มืดมัวและ 4. สุขวิบาก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 อารคะมาจากโรคะโรคะแปลว่าโรคอารมคะก็คือไม่มีโรคแล้วบวกนัยยะปัจจัยเข้าไปเป็นภาวะตัดทิศตามหลักไวยากรณ์เป็นอารคยะแปลว่าความเป็นอารคคือความไม่มีโรคนี้หมายถึงความไม่เป็นโรคของจิตไม่ใช่โรคของร่างกายท่านเปรียบเทียบให้เห็นว่าจิตที่ไม่มีโรคแข็งแรง ไม่ได้พูดถึงโรคของกายอย่างไรก็ตามแม้แต่ภาสิตที่เราท่องกันในภาษาไทยที่เพี้ยนเป็นอโรคยาปรมาลาภานั้นความจริงภาษาบาลีเป็นอารคคยะปรมาลาภาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าความหมายที่แท้จริงไม่ได้มุ่งหมายเพียงไม่มีโรคกายที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง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 ท่านบอกว่ามันมีความกว้างแคบกว่ากันอยู่หน่อยคือกุศล น, นั้นใช้ได้ทั้งโลกิยะและโลกุตระเป็นคำกลางๆและเป็นคำที่ใช้ในทางหลักวิชาการมากกว่าบางทีก็ระบุว่าโลกิยะกุศลโลกุตระกุศลแต่ถ้าพูดเป็นกลางๆจะเป็นโลกิยาก็ได้เป็นโลกุตระก็ได้ส่วนคำว่าบุญ น, นั้นนิยมใช้ในระดับโลกิยะ แต่ก็ไม่เสมอไปมีบางแห่งเหมือนการที่ท่านใช้ในระดับโลกุตระอย่างที่แยกเรียกว่าโอปัติกะปุญญาแปลว่าบุญที่เนื่องด้วยอุปัติและอนโนปฏติกะปุญญะไม่เนื่องด้วยอุปัติเป็นตน้นหรือบางทีใช้ตรงๆว่าโลกุตระปุญญาบุญในระดับโลกุตระแต่โดยทั่วไปแล้วบุญใช้ในระดับโลกิยะ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 คือใครก็ตามสั่งสมบุญไว้สั่งสมความดีเช่นสั่งสมศรัทธาเมตตากรุณามุทิตาผู้นั้นก็มีแต่คุณธรรมมากมายซึ่งทำให้เป็นผู้ควรบูชาฉะนั้นความหมายหนึ่งของบุญก็คือทำให้เป็นคนน่าบูชาและอีกความหมายหนึ่งก็คือทำให้เกิดผลที่น่าชื่นชมเพราะว่าเมื่อเกิดบุญแล้วก็มีวิบากที่ดีงาม น่าชื่นชมจึงเรียกว่ามีผลอันน่าชื่นชมใกล้กับพุทธพจน์ ท, ที่ว่าสุขตเสตังอธิวัจนังยะทิทางบุญญานิซึ่งแปลว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขเมื่อบุญเกิดขึ้นในใจแล้วจิตใจก็สบายมีความเอิบอิ่มพองใสบุญก็เป็นชื่อของความสุข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 ถ้าจะอธิบายลงลึกก็ต้องโยงเข้าไปในเรื่องไตรวัตคือกิเลสกรรมและวิบากเข้าสู่หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ก็แนวหนึ่งสองจะต้องรู้ว่าเรื่องกรรมนี้เป็นนิยามหนึ่งเป็นกฎหนึ่งในบรรดานิยามห้าเท่านั้นอย่าเมาทุกอย่างเข้าเป็นกรรมหมดต้องแยกแยะเหตุปัจจัยให้ถูกต้อง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 คนที่เป็นนักคิดเหตุผลจะไม่ค่อยยอมรับลองมาหาทางพิจารณากันดูว่าเราจะสามารถอธิบายใน่าง่สืบสาวเหตุปัจจัยได้อย่างไรความเป็นเหตุเป็นผลนั้นอยู่ที่การสืบสาวเหตุปัใจจัยให้เห็นว่าแต่และอย่างมันเชื่อมโยงกันสืบทอดและต่อเนื่องกันอย่างไรจึงมาออกผลอย่างนี้ถ้าอธิบายตรงนี้ได้คนจะต้องยอมรับ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 ในทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่ามโนกรรมสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสโดยท ร, โทรงเปรียบเทียบกับลัทธินิโครนในลัทธินิโครนเขาเรียกกรรมว่าท th ันทะซึ่งแบ่งออกเป็นสามคือกายทันทะวจีท th ันทะมโนทันทะและบอกว่ากายทันทะสำคัญที่สุดเพราะว่าเพียงลำพังคิดอย่างเดียวไม่ทาให้ตายได้แต่ถ้าเป็นกายทันทะ เอามีดมาไปถึงฟันคอตายแน่ๆหรือว่าฉ่วยปืนมายิงก็ตายลำพังคิดไม่ตายเพราะฉะนั้นลทัทธินิครนถือว่ากายทันธะสาคัญที่สุดแต่พระพุทธศาสนาถือว่ามโนกรรมสำคัญที่สุดเพราะมโนกรรมเป็นเริ่มต้นบุคคลก็ดีสังคมก็ดีจะเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปตามมโนกรรมเป็นใหญ่ มโนกรรมเป็นตัวกำหนดวิถีหรือชี้แนวทางให้ความคิดความนิยมความเชื่อถือเป็นตัวกำกับการที่สำคัญเช่นชีวิตคนคนหนึ่งมีความชอบในอะไรฝ่ในอะไรก็จะดำเนินไปตามวิถีทางที่ชอบที่ฝ่นั้นสมมติว่าเด็กคนหนึ่งเกิดชอบบวชพระชอบผมผ้าเหลืองเห็นเนนแล้วก็อยากเป็นเนรบ้าง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 จะต้องให้เข้าใจถึงหลักการของพระพุทธศาสนาที่ถือว่ามโนกรรมสำคัญที่สุดและให้เห็นว่าสำคัญอย่างไรนี้คือจุดที่หนึ่งจิตสำนึกจิตไร่สำนึกภวังขจิตวิถีจิตสืบเนื่องจากเรื่องมโนกรรมนั้น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 จิตสำนึกก็คือจิตที่รู้ตัวที่พูดสิ่งต่างๆทำสิ่งต่างๆอย่างที่รู้รู้กันอยู่เรียกว่าจิตสำนึกแต่มีจิตอีกส่วนหนึ่งเป็นจิตไร้สำนึกไม่รู้ตัวจิตที่ไร้สำนึกนี้เป็นจิตส่วนใหญ่ของเราเข้าเทียบเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ในน้ำน้ำแข็งส่วนที่อยู่ใต้น้ำมีมากกว่าและมากกว่าเยอะแยะด้วยส่วนที่โผล่มามีนิดเดียว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 ก็ทุบหน้าเด็กหญิงคนนี้เด็กคนเนี้เจ็บก็โกรธมากอารมณ์วูบขึ้นมาก็เงื้อแขนขวาขึ้นมาจะทุบพ่อบ้างพอเงื้อขึ้นไปแล้วจะทุบลงมาก็ชะงักเงื้อค้างนึกขึ้นได้ว่านี่เป็นพ่อของเราเราไม่ควรจะทําร้ายก็ยั้งไว้ได้แต่ก็ยังถือว่าตัวทําถูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อก็โกรธไม่ยอมพูดด้วยต่อมาเช้าวันหนึ่ง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 แล้วก็ชดเชยออกมาโดยการแสดงอาการให้เห็นว่ามันได้ถูกลงโทษแล้วเป็นอันว่าฉันได้ชดใช้ความผิดนั้นแล้วจะได้พ้นความรู้สึกขัดแย้งนี้ไปได้ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้เด็กนั้นแกก็เลยขยับขยื่นแขนไม่ได้ทั้งๆ้ที่ไม่มีโรคหรือความผิดปกติทางร่างกายเลยสักนิดเดียวหาคนหาเหตุแล้วไม่พบ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 สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันไม่ลืมถ้าได้ทำความชั่วอะไรสักอย่างจิตก็ไปผัพันอยู่แล้วไปปรุงแต่งอยู่ข้างในเช่นซักพาให้จิตโน้มเอียงไปหาสภาพอย่างนั้นอยู่เรื่อยหรือปรุงแต่งความคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องแบบนั้นสมมุติว่าไปหักขาไก่ไว้จิตก็สะสมความรู้สึกและภาพนี้ไว้ในจิตไร้สํานึก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 ขอผ่านเรื่องนี้ไปก่อนการให้ผลของกรรมระดับภายนอกสมบัติ4วิบัติ4ี่แง่ต่อไปเกี่ยวกับการได้รับผลกรรมอีกระดับหนึ่ง อย่างที่เราพูดอยู่เสมอว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและมีผู้ชอบแย้งว่าทําดีไม่เห็นได้ดีเลยฉันทําดีแต่ได้ชั่วไอคนทําชั่วมันกลับได้ดีนี่ก็เป็นอีกระดับหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งก็ต้องมีแง่มีแนวในการที่จะอธิบายเบื้องแรกเราต้องแยกการให้ผลของกรรมออกเป็นสองระดับคือระดับที่เป็นผลกรรมแท้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 คือตอนได้มะม่วงแล้วจะรวยหรือไม่ต้องเอาหลักสมบัติสวิบัติสี่มาพิจารณาสมบัติคือองค์ประกอบที่อำนวยช่วยเสริมกรรมดีสมบัตินี้มีสอย่างเรียกว่าคติอุปธิกาละและประโยคะ 1. คติคือินที่ทางไปต่างๆเกี่ยวกับสถานที่เทศ ส, สอ 2. อุปธิ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 ก็เรียกว่าเป็นวิบัติลองมาดูว่าหลักสี่นี้มีผลอย่างไรสมมุติว่าคุณก่อกับคุณขอมีวิชาดีเท่ากันขยันนิสัยดีทั้งคู่แต่เขาต้องการรับคนงานที่เป็นคนต้อนรับปัจจุบันเรียกรีเซ t ชันนิสทำหน้าที่รับแขกปฏิสันฐานคุณก่อขยันมีนิสัยดีทำหน้าที่รับผิด ช, ชอบดีแต่หน้าตาไม่สวย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 ท่านก็ไม่ได้รับการยกย่องเ ช, ชิดชูวิชาการและศิลปะพวกนี้เขาก็ไม่เอามาพูดถึงกันเขาก็พูดถึงแต่คนที่โรคเก่งสามารถทาลายศัตรูได้มากเป็นต้นนี่เรียกว่าการลวิบัติสำหรับท่านหรือนายคนนี้ข้อสุดท้ายคือประโยค์ควิบัติมีตัวอย่างเช่นท่านเป็นคนวิ่งเร็วถ้าเอาการวิ่งมาใช้ในการแข่งขันกีฬา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 การเป็นคนป่าที่มีสติปัญญาดีการมีศิลปะวิชาการที่ชนานาญอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดจนการวิ่งได้เร็วมันก็มีผลดีโดยตรงของมันอยู่แล้วและผลดีอย่างนั้นก็มีอยู่ในตัวในทันทีตลอดเวลาแต่ท่านบอกว่าในการที่จะได้รับผลต่อเนื่องอีกขั้นหนึ่งนั้นเราจะต้องเอาหลักวิบัติสมบัติเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนปลูกมะม่วงเมื่อกี้เนี่ย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 การประกอบการของเราเช่นการจัดการขายทรงต่างๆนี้เราทำได้ถูกต้องดีไหมฉะนั้นถ้าเราปลูกมะม่วงได้มะม่วงดีแล้วแต่เราปลูกไม่ถูกการละสมัยเราไม่รู้จักประกอบการให้ถูกต้องอย่างน้อยก็มีการละวิบัติประโยคาวิบัติขึ้นมาเราก็ขายไม่ออกก็ขาดทุนถึงขยันปลูกมะม่วงก็ไม่รวย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 เป็นอันว่าในการสอนเรื่องกรรมตอนนี้มีสองชั้นคือตกรรมที่ดีที่ชั่วเองและองค์ประกอบเรื่องคติอุปธิกาละประโยคะถ้าเราต้องการผลภายนอกเข้ามาร่วมเราจะต้องให้ชาวพุทธรู้จักพิจารณาและมีความฉลาดในเรื่องคติอุปธิกาละประโยคะด้วยสมมุติว่าคนสองคนทำงานอย่างเดียวกัน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 เราควรอธิบายอย่างไรให้เข้าใจง่ายในการตอบปัญหานี้ต้องพูดให้เข้าใจกันก่อนว่าการปฏิเสธปุพเพกะตะวาดไม่ได้หมายความว่าเราถือว่ากรรมเก่าไม่มีผลแต่ละที่ปุพเพกะตะวาาถือว่าเป็นอะไรอะไรก็เพราะกรรมเก่าทั้งสิ้นเอาตัวกรรมเก่าเป็นเกณฑ์ตัดสินโดยสิ้นเชิงฉะนั้นทำอะไรก็ไม่มีความหมายเพราะแล้วแต่กรรมเก่า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 ครอบครัวเปี่ยมศักดิ์คุณแม่ธมเจริญสัมภพืชคุณพิมพาดาชัยยะจินดาครอบครัวปรีดีพร้อมพันุคุณวานิสาเมเดลคุณสุพมาศบุญประเสริฐคุณกาพลพิพัฒชูเกียรติคุณอนัญญาทองทุมครอบครัวเต่เจวันวานิชกรครอบครัวชัยรัตคุณเกียติศักดิ์ปิยโพธิกุลคุณภัยจิตงามสุริยาพงศ์คุณสมศรีนุตนวนคุณอมพรเหรียญทองเด็กหญิงอนัญญาสุชาติธรรม